ธารมบทแปลเรื่องพระวนวาสีติสะเถระภาคที่สเรื่องที่ห9พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารอพระติสะเถระผู้มีปกติอยู่ในป่าคือวนวาสีติสะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพานะขามินีเอวะเมตังอภิญญายะพิกุพุทธะสาวโกสักการังนาพินัญทยะวิเวกะมะนุปรหะเยแปลว่าก็ก็ปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างอื่น กปฏิบัติอันอย่างสัตว์ให้ถึงปรนิพานเป็นอย่างอื่นคนละอย่างภิกษุผู้เป็นสา ว, วกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินสักการะพึงตามเจริญวิเวกเทศนาตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชกฤตได้ยินว่าสหายของ วังคันตะปรามผู้บิดาของพระสารีบุตรเทระชื่อมหาเสนปรามอยู่ในกรุงราชครวันหนึ่งพระสารีบุตรเทระเที่ยวบินบาบได้ไปยังประตูเรือนของปรามนั้นเพื่อนุเคราะห์เขาแต่ปรามนั้นมีสมบัติหมดเสียแล้วกลายเป็นคนยากจน พรามนั้นมีความคิดว่าบุตรของเราจะมาเพื่อเที่ยวบินนาบาต ท, ที่ประตูเรือนของเราแต่เราเป็นคนยากจนบุตรของเราเห็นจะไม่ทราบความที่เราเป็นคนยากจนทายาทาอะไรๆของเราก็ไม่มีเมื่อไม่อาจจะเผชิญหน้ากับพระเถระนั้นได้จึงหลบไปเสียถึงในวันอื่นแม้พระเถระ ก็ได้ไปอีกมหาเศณษน้ำรามก็ได้หลบเสียอย่างนั้นเหมือนกันปรามนั้นคิดอยู่ว่าเราได้อะไรอะไรแล้วนั่นแหละจะายก็กลับไม่ได้อะไรอะไรภายหลังวันหนึ่งเขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปายาดพร้อมกับผ้าสาดกเนื้อหยาบในที่สอนลัิทีของปรามแห่งหนึ่งถือไปถึงเรือน นึกถึงพระเถระขึ้นได้ว่าการที่เราถวายบิณฑบาตนี้แก่พระเถระเป็นการกวนในขณะนั้นนั่นเองแม้พระเถระเข้าฌานออกจากสมาบัติแล้วเห็นรบระามนั้นคิดว่าพระามได้แตยธรรมแล้วหวังอยู่ซึ่งการมาของเราการที่เราไปในที่นั้นจึงจะกวนแต่นี้แล้ว จึงห่มผ้าสังกติถือบาทแสดงตนยืนอยู่แล้วที่ประตูเรือนของปรามนั้นนั่นเองปรามนั้นพอเห็นพระเทรา เ, เท่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสแล้วลาดับนั้นเขาจึงเข้าไปหาพระเทรานั้นไหว้แล้วกระทําปฏิสันถา น, นิมนต์ให้นั่งภายในเรือนถือถาด อันเต็มด้วยข้าวปายาติเกลียลงในบาดของพระเทระพระเทระรับกึ่งหนึ่งแล้วจึงเอามือปิดบาทที่นั้นพราหมณ์กล่าวกับพระเทรานั่นบ่าท่านผู้เจริญข้าวปายาตนี้สักว่าเป็นส่วนของคนคนเดียวเท่านั้นขอท่านจงทําความสงเคราะห์ในปรโลกแก่กระผมเถิด อย่าทำความสงเคราะห์ในโลกนี้เลยกระผมปรารถนาถวายไม่ให้เหลือทีเดียวในนี้แล้วจึงเกลีย่ยลงทั้งหมดพระเทระฉันในที่นั้นนั่นแหละพระในเวลาเสร็จพัตธิกิจเขาถวายผ้าสาโดกแม่นั้นแกพระเทระนั้นก็ไหว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ แม้กระผมพึงบรรลุธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเหมือนกันพระเจระกระทำอนุโมจนาแก่ปรามนั้นว่าขอชองสำเร็จอย่างนั้นปรามพระเจระลุกขึ้นจากอาสนะลีกไปเที่ยวจาริกไปโดยลำดับได้ถึงพระวิหารเชตวันแล้วตอนพรามยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี ก็ตานที่บุคคลถวายในคราวที่ตนตกยาก ย, ออย่อมยังผู้ถวายให้ร่าเริงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแม้พรามถวายทานนั่นแล้วมีจิตเลื่อมใสเกิดโสมนัสแล้วได้ทำความเสเนหามีประมาณยิ่งในพระเถรละด้วยความเสเนหาในพระเถระนั่นแล พรามนั้นามกาล้าแล้วถือปฏิสนธิในสกุลอุปตากของพระเทระในกรุงสาวัตถีก็ในขณะนั้นแลมารดาของเขาบอกแกสามีว่าคันตั้งขึ้นแล้วในท้องของฉันสามีนั้นได้ให้เ ร, รื่องบริหารคันแกมารดาของจารกนั้นแล้ว เมื่อนางเป็นการบริโภคอาหารวัตถุมีของร้อนจัดเย็นจัดและของเปรี้ยวจัดเป็นต้นรักษากันอยู่โดยสบายความแพ้ท้องเห็นป่า น, นี้เกิดขึ้นว่าเชนหนอเราบึงนิมนต์ภิกษุห้าร้อรูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานให้นั่งในเรือนถวายข้าวปายาตเจือด้วยน้ำนมล้วนแม้ตนเอง นุ่งห่มผ้ากาสายะถือขันทองนั่งในที่สุดแห่งอาสนะแล้วบริโภคข้าปายาตอันเป็นเด่นของพิสุปประมาณเท่านี้นางนี้ได้ยินว่าความแพ้ท้องในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสายะนั้นของนางได้เป็นบุตุภานิมิตแห่งการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้องลำดับนั้น พวกยายของนางคิดว่าความแพ้ท้องของธิดาของพวกเราประกอบด้วยธรรมดังนี้แล้วจึงถวายข้าวปาญาตเจือด้วยน้ำนมล้วนแกภิกษุห้ารายรูปมีพระสารีบุตรเทระเป็นพระสังกาติเทระแม่นางก็นุ่งผ้ากาสายาผืนหนึ่งหมผืนหนึ่งถือขันทองนั่งในที่สุดแห่งอาสนะ บริโภคข้าวป่าญาติอันเป็นเด่นของภิกษุความแปร้องก็ได้สงบลงแล้วในมงคลอันเขากระทำแล้วในระหว่างระหว่างแก่นางนั้นตลอดเวลาซัดเกิดในคันคลอดก็ดีในมงคลอันเขากระทำแล้วแกนางผู้คลอดบุตรแล้วโดยล่วงไปสิบเดือนก็ดีปวกญาติ ก็ได้ถวายข้ามัทุปายาตมีน้ำน้อยแก่ภิกษุห้ารายรูปมีพระสารีบุตรเถวรเป็นประธานเหมือนกันได้ยินว่านี้เป็นผลแห่งข้าบายาตที่ถารกถวายแล้วในเวลาที่ตนบินปรามในการก่อนก็ในวันมงคลที่พวกญาติกระทำในวันที่ทารกเกิด พวกญาติให้ตารกนั้นอาบน้ำแต่เช้าตรู่ประดับแล้วให้นอนเบื้องบนผ้ากาพลมีค่าแสนหนึ่งบนที่นอนอันมีสิริตอนทารกบริจาคทานทารกนั้นนอนอยู่บนผ้ากาพลนั่นเองและดูพระเถระแล้วคิดว่าพระเถระนี้เป็นบุรพาจารของเรา เราได้สมบัตินี้เพราะอาศัยพระเถรานี้การที่เราทำการบริจาคอย่างหนึ่งแก่ท่านผู้นี้เป็นการควรนั่นี้แล้วอันญาตนำไปเพื่อประโยชน์แก่การรับสิกาบทได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้ากำปนนั้นยึดไว้กระนั้นญาตทั้งหลายของ่าโรคนั้นคิดว่าผ้ากำพลคล้องที่นิ้วมือแล้ว จึงปรารพจะนําออกทารกนั้นร้องไห้แล้วพวกญาติจึงกล่าวว่าขอพวกท่านจงหีไปเถิดท่านทั้งหลายอย่าทำทารกให้ร้องไห้เลยนันนี้แล้วจึงนําไปพร้อมกับผ้ากาปลนั่นแหละในเวลาไหว้พระเตระทารกนั้นชักนิ้วมือออกจากผ้ากาพลให้ผ้ากาพลตกลง นะที่ใกล้เท้าของพระเตระลําดับนั้นพวกญาติไม่กล่าวว่าเด็กเล็กไม่รู้ได้กระทําไปแล้วแต่กล่าวว่าท่านเจ้าข้าผ้าอันบุตรของพวกข้าพเจ้าตะวัแล้วจงเป็นอันบริจาคแล้วทีเดียวนั่นี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้สิีขาบทแก่ธาตของท่าน ผู้ทำการบูชาด้วยผ้ากำพลนั่นแหละอันมีราคาแสนหนึ่งพระเทระเด็กนี้ชื่ออะไรหรือพวกญาติชื่อเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าก็รับพระเทระเด็กนี้จะชื่อว่าติสสะก็ได้ยินว่าพระเทระในเวลาเป็นเครือข่ได้มีชื่อว่าอุปติสะมโน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 ของเด็กนั้นก็ดีได้ถวายข้าวมะทุปายาตมีน้ำน้อยแกพภิกสุประมาณห0 0รอรูปมีพระสารีบุตรเทระเป็นประธานเด็กเจริญวัแล้วในเวลามีอายุเจ็ดขวบได้กล่าวกับมารดาว่าแม่ฉันจะบวชในสำนักของพระเทระมารดานั้นรับคำว่าดีล่ะลูก เพราะมาก่อนแม่ได้หมายใจไว้แล้วว่าจะไม่ทําลายอัตยาใสของลูกเจ้าจงบวชเถิดง น, นี้แล้วก็ให้คนนิมนต์พระเระมาถาวายพิษาแก่พระเทระนั้นผู้มาแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านเจ้าขาทาาของท่านกล่าวว่าจะบวชพวกฉันจะพาทาาของท่านนี้ไปสู่วิหารในเวลาเย็น ได้ส่งพระเทระไปแล้วในเวลาเย็นพาบุตรไปสู่วิหารด้วยสักการะและสัมมาณะเป็นนัมากแล้วก็มอบถวายพระเทระตอนการบวชตำหนายยากพระเทระได้กล่าวกับเด็กนั้นว่าติษะชื่อว่าการบวชเป็นของที่ทำาได้ยยาก เมื่อความต้องการด้วยของร้อนมีอยู่ย่อมได้ของเย็นเมื่อความต้องการด้วยของเย็นมีอยู่ย่อมได้ของร้อนชื่อว่านักบวชทั้งหลายย่อมเป็นอยู่โดยลำบากก็เธอสวยความสุขมาแล้วติสสะท่านขอรับกระผมจะสามารถทำได้ทุกอย่างตามตานองที่ท่านบอกแล้วประเะกล่าวว่าดีละดังนี้แล้ว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 คือผมคนเล็บฟันหนังห้าอย่างก็ได้ว่าด้วยกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วโดยแต่ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีผู้บรรลุพระอรหัสตในบรรดาส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นส่วนหนึ่งหนึ่งย่อมไม่มีกำหนด ก็ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดเมื่อยังกุลบุตรให้บวชย่อมทำอุปนิสัยแห่งพระหรัาให้ชิบหายเสียเพราะเหตุนั้นพระเถระบอกกรรมฐานแล้วจึงให้บวชให้ตั้งอยู่ในศีลสิบมานาบิดาทำสการะแก่บุตรผู้บวชแล้วได้ตวายข้ามันทุ ป, ปายาตมีน้ำน้อยเท่านั้น แกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในวิหารนั้นนั่นเองสิ้น7วันฝ่ายภิกษุทั้งหลายโ卜ธนาว่าเราทั้งหลายไม่สามารถจะฉันค้ามรัทุปายาตมีน้ําน้อยเป็นนิดได้มารดาบิดาแม้ของสามนเณร น, นั้นได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็นในวันที่7ในวันที่8สามนเณร เข้าไปบินดาบากับพิกษุทั้งหลายตอนสามเณรมีลาบมากเพราะผลตานในการก่อนชาวเมืองสามวัตทีกล่าวว่าได้ยินว่าสามเณรจะเข้าไปบินาบาบในวันนี้พวกเราจะทสาสการะแก่สามเณรนั้นนั่นนี้แล้วได้ทำเทิดด้วยผ้าสาดกประมาณ500ผืนจะแจ้งบินาบาบ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 นั่นเป็นผลแห่ง้าสาดูเนื้อหยาบที่สามเณรถวายแล้วในคราวเป็นมหาเสนาปรามลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายขนานนามสามเณรนั้นว่าปินทะปาตะทายกติสระรุ่งขึ้นวันหนึ่งในฤ ด, ดูหนาวสามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหารเห็นภิกษุทั้งหลาย ผิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นในที่นั้นๆจึงเรียนขึ้นบ่าท่านขอรับเหตุใดท่านทั้งหลายจึงนั่งผิงไฟผู้ภิกษุเพราะความหนาวเบียดเบียนพวกเราสามเณรสามเณรท่านขอรับธรรมดาในฤ ด, ดูหนาวท่านทั้งหลายควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลนั้นสามารถกันหนาวได้ผู้ภิกษุสามเณรเธอมีบุญมาก ถึงได้ผ้ากำพลพวกเราจะได้ผ้ากำพลแต่ที่ไหนสามเณรกล่าวว่าท่านขอรับถ้ากระนั้นพระผู้เป็นเจา้าท่างหลายผู้มีความต้องการด้วยผ้ากำพลจงมากับกระผมเถิดเราให้บอกภิกษุในวิหารทั้งสิน้นภิกษุท่างหลายคิดว่าพวกเราจะไปกับสามเณรแล้วนำผ้ากำพลมาอาศัยสามเณรผู้มีอายุเปี ออกไปแล้วประมาณพันรูปสามเณรนั้นมีให้แม้จิตเกิดขึ้นว่าเราจะได้พาดกนบลแต่ที่ไหนเพื่อภิกษุประมาณเท่านี้พาพวกภิกษุเหล่านั้นบายหน้าไปสู่ปรนตะกรแล้วจึงอยู่่านที่บุคคลถวายดีแล้วย่อมมีอนุภาพเช่นนี้สามเณรนั้นเที่ยวไปตามลาดับเรือนภายนอกปรนตะกรเท่านั้น ได้ผ้ากำพลประมาณห0 0ร้อืนแล้วจึงเข้าไปภายในพระนครพวกมนุษย์นำผ้ากำพลมาแต่ที่นอนที่นี้ส่วนบุตรคนหนึ่งเดินไปโดยทางประตูร้านตลาดเห็นชาร้านตลาดคนหนึ่งผู้นั่งคลี่ผ้ากำพลห0 0รอผืนจึงพูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญสามนเณรรูปหนึ่งรวบรวมผ้ากำพลอยู่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 ตอนลักษณะของคนตรณีจึงอยู่พวกคนตรณีผู้เป็นนราปานเมื่อชนวนเราอื่นให้ทานอย่างนี้ก็ตรณีแล้วจึงเกิดใ น, นนรกเหมือนกาลอามาตเห็นอาสาที่สถานแล้วตรณีอยู่ชนี้ชาวร้านตลาดคิดว่าบุรุษนี้มาโดยธรรมดาของตนกล่าวกราว่า จงซ่อนผ้ากำพลเสียแม้เราก็ได้กล่าวกับเขาว่าถ้าสามเณร น, นั้นถือเอาสิ่งของที่เขาให้ถ้าเราปรารถนาเราจะให้ของของเราถ้าไม่ปรารถนาเราก็จะไม่ให้ก็เมื่อเราไม่ให้ของที่สามเณรเห็นแล้วความละอายย่อมเกิดขึ้นเมื่อเราซ่อนของของตนไว้ก็ย่อมไม่มีโทษบรรดาผ้ากำพลหรอผืนนี้ผ้ากำพลสองผืน มีราคาตั้งแสนการซ่อนผ้าสองผืนนี้ไว้จึงจะควรดันนี้แล้วจึงผูกผ้ากำพลทั้งสองผืนทำให้เป็นชายด้วยชายคือเอาชายผ้าสองผืนผูกติดกันวางซ่อนไว้ในระหว่างแห่งผ้าเหล่านั้นฝ่ายสามเณรถึงสถานที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุพันหนึ่งเขาพอเห็นสามเณรเท่านั้น ความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นแกชาวร้านตลาดสิริระตั้งสิ้นได้เต็มเปี่ยมแล้วด้วยความรักเขาจึงคิดว่าผ้ากำปล้นทั้งหลายจงยกไว้เราเห็นสามเณร น, นี้แล้วจะให้แม้เนื้อหัวใจก็ยังให้ได้ชาวร้านตลาดนั้นนำผ้ากำปลนทั้งสองผืนนั้นออกมาวางไวแทบเท้าของสามเณรไหวแล้ว ได้กล่าวว่าท่านเจา้าข้าผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วสามเณรแม่นั้นได้ทำมนุโมทนากะเขาว่าขอจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดสามเณรได้ผ้ากํามพนห0าผืนแม้ไหนภายในพรนะนครในวันเดียวเท่านั้นได้ผ้ากํามลนพันหนึ่งได้ถวายแก่ภิกษุพันหนึ่ง ด้วยประการชนิดเรานั้นภิกษุน์ทั้งหลายจึงขนานนามของสามเณร น, นั้นว่ากรรพลทายกติสระผ้ากรรพลที่สามเณรให้ในวันตั้งชื่อถึงความเป็นผ้ากรรพลพันหนึ่งในเวลาตนมีอายุ7ปีด้วยประการชนีดตอนให้ก่องน้อยแต่ได้ผลมาก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 มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใดมีผลมากกว่าหมู่ภิกษุนี้ก็เป็นเช่นนั้นแม่สามเณรมีอายุเจปีได้ผ้ากรรมผลพันหนึ่งด้วยผลแห่งผ้ากรรมผลปือหนึ่งด้วยประการชนี้เมื่อสามเณรนั้นอยู่ในพระเชตวันพวกเด็กที่เป็นญาติมาสู่สำนักผู้จ่าปราศัยหนึ่งเนือง ตามเนนั้นมีความคิดว่าอันเราเมื่ออยู่ในที่นี้เมื่อเด็กที่เป็นญาติมาพูดอยู่ไม่อาจที่จะไม่พูดได้ด้วยการเนิ่นช้าคือการสนทนากับเด็กเหล่านี้เราไม่อาจทําที่พึ่งแก่ทนได้ใช่หนอเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศ า, ศาสดาแล้วพึงปป่งไปอยู่ปาเนี่ยนี้ติดสาสามเมเนนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศ า, ศาสดา ถวายบังคมแล้วทูลให้พระสัสดาตรัด บ, บอกกรรมฐานจนถึงพระราชได้ว่ายพระอุปชาคือท่านพระสารีบุตรแล้วถือบาทละจิวรเอาไปจากวิหารแล้วมีความคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่ใกล้ไซพวกญาติจะร้องเรียกเราไปเธอจึงได้ไปสิ้นต่างประมาณ1น0่อโยชน ขระนั้นสามเณรเดินไปทางประตูบ้านแห่งหนึ่งเห็นชายแก่คนหนึ่งจึงถามว่าอุบาสกวิหารในป่าของพิกสุทั้งหลายผู้อยู่ในประเทศนี้มีอยู่หรือไม่อุบาสกมีขอรับสามเณถ้าอย่างนั้นขอท่านช่วยบอกทางแก่ฉันเถิดก็ความรักเพียงดังบุตรได้เกิดขึ้นแก่อุบาสก เราเห็นสามเณรนั้นลำดับนั้นอุบาสกยืนอยู่ในที่นั้นนั่นแลไม่บอกแก่สามเณรนั้นแต่กล่าวว่ามาถึง ก, กรับผมจะบอกแก่ท่านได้่าสามเณรนั้นไปแล้วสามเณรเมื่อไปกับอุบาสกแกคือชายแกนั้นเห็นประเทศคือดินแดนหแห่งหแห่ง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 ชายแก่คืออุบาสกนั้นจึงได้ถามสามเณรว่าแล้วท่านชื่ออะไรขอรับเมื่อสามเณรบอกว่าฉันชื่อวนาวาสีติสะอุบาสกอุบาสกนั้นจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านควรไปเที่ยวบินบาบในบ้านของพวกกระผมแล้วเขาก็กลับไปสู่บ้านของตนนั่นแหละวอาแกพวกมนุษย์ว่า สามเณรชื่อวนาวาสีติสสะมาสู่วิหารแล้วขอท่านจงจัดแจงอาหารวัตถุมียากรและพัดเป็นต้นเพื่อสามเณรนั้นดังนี้ในครั้งแรกทีเดียวสามเณรเป็นผู้ชื่อว่าติสสะแต่นั้นได้ชื่อสามชื่อเหล่านี้คือบินทัปปาตะทายกติสสะคำพลทายกติสสะวนาวาสีติสสะ ได้ชื่อสี่ชื่อภายในอายุเจปีในวันรุ่งขึ้นสามเณรนั้นเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านนั้นแต่เช้าตรู่พวกมนุษย์ถวายพิกษาไหว้แล้วสามเณรกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขขอจงพ้นจากทุกเถิดอย่างนี้แม้มนุษย์คนหนึ่งถวายพิกษาแก่สามเนนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถจะกลับไปยังเรือนได้อีกทุกคนได้ยืนแลดูอยู่ทางนั้นแม้สามเณร น, นั้นก็รับพัดพออย่างอัตภาพให้เป็นปายเพื่อตนชาวบ้านทั้งสิ้นหมอบลงด้วยอกแทบเท้าของสามเณร น, นั้นแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข่าเมื่อท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไตรมาสนี้พวกกระผมจะรับสารณะสามตั้งอยู่ในสี่ห้า สามุโบสดกรรม8ครั้งต่อเดือนขอท่านจงให้ปฏิญญาแก่พวกกระผมทั้งหลายเพื่อประโยชน์แห่งการอยู่ที่นี้เถิดสามเณรนั้นกำหนดอุปการะจึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่านั้นเที่ยวบินบาศในบ้านนั้นนั่นแหละเป็นประจำก็ในขณะที่เขาไหว้แล้วไหว้แล้วสามเณรกล่าวเฉพาะสองคำว่า ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากทุกข์ณ น, นี้แล้วก็หลีกไปสามเณรนั้นให้เดือนที่หนึ่งและเดือนที่สองล่วงไปแล้วณที่นั้นแม้เดือนที่สามล่วงไปก็บรรลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาตอนอุปชายยะไปเยี่ยมสามเณรครั้นเวลาบวารณา ออกพัญษาแล้วพระอุปัชฌาย์ของสามเณรนั้นเข้าไปเฝ้าพระสัสดาถว้บ่งกลมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปยังสำนักของติสาสามเณรไปเถิดสาริบุตรพระสาริบุตรเถระนั้นเมื่อปาภิกษุ ป, ประมาณห0 0รอรูปซึ่งเป็นบริบาลของตนหลีกไปได้กล่าวว่า ท่านโมคละนผู้มีอายุกระผมจะไปยังสำนักของติดสาสามเณรพระโมคละนเตระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุแม้กระผมก็จะไปด้วยนันนี้แล้วก็ออกไปพร้อมกับพิสุประมาณห0 0รูปพระมหาสาวกทั้งปวงคือพระมหากัส ป, ปะเตระพระอนุรุต ธ, ธาเตระพระอุบาลีเตระ พระบุญนาเทระาเป็นต้นเอาไปพร้อมกับภิกษุประมาณองค์ละ500รูปโดยอุบายนั้นแหละบริวารกองพระมาหาสาวกแม้ทั้งหมดได้เป็นภิกษุประมาณสี่0มืผู้บาศกผู้บำรุงสามเณรเป็นประจำเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้เดินทางประมาณร้0ยโยตถึงโคจรขามแล้วณนะประตูหมู่บ้านนั่นเอง ตอนรับแล้วได้ไหว้แล้วลาดับนั้นพระสารีบุตรเทระถามอุบาสกนั้นว่าอุบาสกวิหารอันตั้งอยู่ในป่าในประเทศนี้คือในดินแดนแห่งนี้มีอยู่หรืออุบาสกมีกอรับพระเทระแล้วมีภิกษุหรือไม่อุบาสกมีกอรับก็ใครอยู่ในที่นั้น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 กล่าขึ้นว่าท่านขอรับขอท่านจงหยุดก่อนเถิดแล้วเขาก็ได้เข้าไปสู่หมู่บ้านโดยเร็วเปา่าร้องว่าพระอสิติมหาสาวุกผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่พระสารีบุตรเตรารบเป็นต้นมามาสู่สำนักของสามเณรพร้อมกับด้วยบริวารของตนของตนท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้มีเตียงตังกรื่องปูรา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 จะฟังธรรมในการก่อนแต่นี้แม้การฟังธรรมไม่ได้มีแก่พวกกระผมทั้งหลายพระเตระสามเณรถ้าการะ์นั้นเธอจงตามประทีปคือจุดโคมไฟประกาศเวลาฟังธรรมเธดสามเณร น, นั้นก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วลําดับนั้นพระเตระกล่าวกับสามเณร น, นั้นว่าติสส พวกอุปตากของเธอกล่าวอยู่ว่าใครจะฟังธทำเธอจงกล่าวทำแก่อุปตากเหล่านั้นพวกอุบาสกลุกขึ้นพร้อมกันทันทีแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกกระผมยกแต่บทสองบทเหล่านี้เท่านั้นคือขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขขอพ้นจากทุก์ท่านหารู้ธรรมกถาอย่างอื่นไม่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 ดุจมหาเมฆตั้งขึ้นในสี่ทวีปอย่างฝนลูกเห็บให้ตกอยู่กล่าธรรมกถาโดยยอดคือพระอารหัตแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอารหันตอย่างนี้ผู้บรรลุพระอารหัตแล้วนั่นแลย่อมพ้นจากทุกข์คนที่เหลือไม่พ้นจากชาติทุกข์คือทุกข์คือการเกิดเป็นต้น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 ติสสะเธอจะไปพร้อมกับพวกเราหรือหรือจะไปในภายหลังสามเณรกระผมจะไปในเวลาเป็นที่ไปของกระผมตามเคยนิมนต์ท่านทั้งหลายไปเถอดครับตอนพวกมนุษย์เลื่อมใสติสสะสามเณรพิกสุตหลายถือบาทและจีวรเข้าไปแล้วพระศาสดาทรงห่มจีวรในพระเฉตบวันนั่นแหล แล้วทรงถือบาทเสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเท่านั้นทรงแสดงพระองค์ประทับยืนข้างหน้าภิกษุทั้งหลายที่เดียวชาวบ้านทั้งสิน้นได้ตื่นเต้นเ อ, อ ก, กเริกเป็นอย่างเดียวกันบ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพวกมนุษย์มีจิตราเริงนิมน์ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถาวายยากรูแล้ว ได้ถวายของกวนเคียวเมื่อพัดยังไม่ทันเสร็จนั่นแหลสามเณรเข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านแล้วชาว บ, บ้านนายดำออกไปถวายภิกษาแกสามเณรโดยขอรบสามเณรนั้นรับพิกษาเพียงอย่างอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาน้อมบาทเข้าไปแล้ว พระศาสดาตรัสว่านำมาเติดติสะแล้วส่งเหยียดพระหัสรับบาทส่งแสดงแก่พระเทรว่าสารีบุตรเธอจงดูบาทของสามเณรของเธอพระเตระรับบาทจากพระหัศของพระศาสดาให้แก่สามเณรแล้วกล่าวว่าเธอจงไปนั่งทรพัฒกิจในที่ถึงแก่ตนเถิด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 เป็นต้นเพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลของตนของตนและแม้เราก็มาแล้วเพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลท่านทั้งหลายเหมือนกันแม้การเห็นพระพุทธเจ้าอันท่านทั้งหลายได้แล้วเพราะอาศัยสามเณร น, น, น, นี้นั่นเองเป็นลาบของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้ว น, นนนี้มนุษย์ทั้งหลาย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 ก็ด้เวลาจบนุวันาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วพระสัสดาเสด็จลุกจากอาสนะหลีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายตามส่งเสด็จพระสัสดาถาวายบังคมแล้วก็กลับไปพระสัสดาเสด็จไปด้วยพระตุระ อันเสมอกับสามเณรตราฐามประเทศที่อุบาสกแสดงแล้วแก่สามเณรนั้นในการก่อนว่าสามเณรประเทศคือบริเวณ น, นี้ชื่ออะไรประเทศคือบริเวณ น, นี้ชื่ออะไรนั่นนี้แล้วก็ได้เสด็จดำเนินไปแม้สามเณรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประเทศคือบริเวณ น, นี้ชื่อนี้บริเวณ น, นี้ชื่อนี้ ก็ได้ไปแล้วตอนน้ำตาของมนุษย์มากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาสเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรนั้นแล้วสเสด็จขึ้นสู่ยอดภูเขาก็มหาสมุทรย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขานั้นพระศาสดาตรัสถามสามเณนว่าติจเธอยืนอยู่บนยอดภูเขา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 ในเวลาที่สัตว์ผู้หนึ่งผู้หนึ่งถึงซึ่งทุกข์พึงเป็นของมากกว่าน้ํำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่โดยแท้ก็แลเมื่อตรัสกรรมนี้แล้วจึงได้ตรัสคําที่เป็นคาถาเสื่อไปว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เล็กน้อยน้ําคือน้ําตาของนรกผู้ถึงทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อย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 พันเราผู้ตายอยู่ทำการทิ้งสรีระในที่นี้ไม่มีกาหนดพระชาคา่าดีละ่ะดีละ่ะติสสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะชื่อว่าสถานที่แห่งสัตว์เหล่านี้ผู้ที่ไม่นอนตายบนแผ่นดินไม่มีนันนี้แล้วจึงได้ตรัสอุปะสารหากะชาดกในทุกกนิบาทโดยคำที่เป็นกาถานี้ว่า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 สถานที่นั้นชื่อว่าอันสัตย์ไม่เคยตายในโลกก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายทำการทอดทิ้งสรีระไว้เหนือแผ่นดินตายอยู่สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตายย่อมไม่มีด้วยประการชนนี้ส่วนพระเทระทั้งหลายเช่นท่านพระอนุนเทระย่อมบริญญาในประเทศที่สัต ไม่เคยตายตอนการปรินิพพานของพระอานนท์นางได้สดับมาพระานนทิระพิจารณาดูอายุสังขารในการมีอายุได้ร2อยี่สิปีทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบจึงบอกว่าเราจะปรินิพพานในวันที่7จากวันนี้บรรดามนุษย์ผู้อยู่ที่ฟั่งทั้งสอง แห่งแม่น้ำโรฮีนีทราบกล่าวนั้นแล้วผู้ที่อยู่ฝั่งนี้กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากแก่พระเถระพระเถระจะปรินิพานในสำนักของพวกเราผู้ที่อยู่ฝั่งโนนก็กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากแก่พระเถระพระเถระจะปรินิพานในสำนักของพวกเราพระอนุเทระฟังคำของชอนเหล่านั้นแล้วคิดว่า แม้พวกชนผู้อยู่ที่ฝั่งทั้งสองก็มีอุปการะแก่เราทั้งนั้นเราไม่อาจกล่าวว่าชนเหล่านี้ไม่มีอุปการะได้ถ้าเราจับปรินธิพานที่ฝั่งนี้ผู้อยู่ฝั่งโน้นจะทำการทะเลาะกับพวกฝั่งนี้เพื่อจะถือเอาอัตถิธาตถ้าเราจับปรินธิพานที่ฝั่งโน้นพวกที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะทำเหมือนอย่างนั้นความทะเลาะแม้เมื่อจะเกิด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 พวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็จงประชุมกันที่ฝั่งโน้นแหละนั่นี้ในวันที่เจ็ดแต่วันนั้นพระเถระนั่งโดยบัรลังก์ในอากาศประมาณเจ็ดชั่วลำตาลในท่ามกลางแห่งแม่น้ำกล่าวธรรมแก่มหาชนแล้วอธิฐานบ่าขอสรีระของเราจงแตกในท่ามกลางส่วนหนึ่งจงตกฝั่งนี้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 นาสงสารแม้กว่าเสียงร้องไห้ในวันปรินิพพานแห่งพระศัสดาพวกมนุษย์ร้องไห้ร่ำไรอยู่ตลอดสี่เดือนเที่ยวบ่นเบอรอยู่ว่าเมื่อพระเทระผู้รับบาดจีบอลของพระศัสดายังดำรงอยู่ได้ปรากฏแก่พวกเราเหมือนการที่พระศัสดายังสนพระชนอยู่บัดนี้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 ข้าพระองค์ย่อมไม่กลัวก็แลอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าความยินดีในป่าย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะฟังเสียงแห่งสัตว์เหล่านั้นสา ม, มเณรก็ได้กล่าวพัรธนาป่าด้วยคาถาประมาณหกสิบคาถาขณะนั้นพระาศาสดาตรัสเรียกสา ม, มเณรนั้นว่าติสสะอะไรพระเจ้าข้าพวกเราจะไปแล้ว เธอจะไปหรือเธอจะกลับก็เมื่อพระอุปชยัยยะของข้าพระองค์พาข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จะไปเมื่อให้ข้าพระองค์กลับข้าพระองค์ก็จะกลับรขขพระชคลาพระศาสดาสเดดหลีกไปกับภิสุสงแต่อัติยาศัยของสามเณรใครจะกลับอย่างเดียวพระเทระทราบอัตฉิยาสัยนั้นจึงกล่าวว่าติสะ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 ทำกรรมที่บุคคลทำได้ยากจำเดิมแต่ถือปฏิสนธิพวกญาติของเธอได้ถวายข้าระญาตมีน้ำน้อยแก่ภิกษุประมาณห0 0รในงานมงคลเจดครั้งในเวลาบวชแล้วก็ได้ถวายข้ามรูปป่ายาตมีน้ำน้อยเหมือนกันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภายในวิหารสิ้นเจ็ดวันครั้นบวชแล้ว ในวันที่8เข้าไปสู่บ้านได้บินบาบพันหนึ่งกับผ้าสาดกพันหนึ่งโดยสองวันเท่านั้นวันรุ่งขึ้นได้ผ้ากำพลพันหนึ่งในเวลาเธออยู่ในที่นี้ลาบและสักการะมากก็เกิดขึ้นแล้วด้วยประการชนี้บัดนี้เธอจิงลาบและสักการะเห็นป่านนี้เสียแล้วเข้าสู่ป่ายังอัตภาพให้เป็นไป ด้วยอาหารที่เจือกันสามเณรทากรรมที่ทำได้ยากนอ้อหลังนี้ตอนข้อปฏิบัติสองอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอันใดห น, เนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นพิสุททั้งหลายชื่อว่าก็ปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนั้นเป็นอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงประนิพานเป็นอย่างหนึ่งก็ อ, อบายสีกุนรกเปรตอสุรกายและสัตเดระฉานมีประตูอันเปิดแล้วนั่นและตั้งอยู่ เอือพิสุผู้รักษาข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบด้วยการสมาธานทุดงมีการอยู่ป่าเป็นต้นด้วยหวังว่าเราจะได้ลาบด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ส่วนพิกสุผู้ละลาบและสาการะเกิดขึ้นแล้วด้วยข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระมิปานแล้วเข้าสู่ป่าเปลี่ยนพยายามอยู่ยึด หรือเอาพระอรหันต์ไว้ได้หนังนี้เมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบมนุษสนทิจึงได้ตรัสพระคถานี้ขึ้นบ่าก็ปฏิบัติอันข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติอันสัตว์ให้ถึงปรนิพานเป็นอย่างหนึ่งพิงสุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้ว ไม่พึงเพลิดเพลินสักการะพึงตามเจริญวิเวกบาลีว่าอนยาหิลาภูปนิสาอันยานิพานคขามินีเอวามตังอภิญญายะพิกุพุทธะสาวโกสักการังนาพินันเทยะวิเวกะมนุปรูหเย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 ผู้จะให้ลาบเกิดขึ้นควรทำอกุศลธรรมหน่อยหนึ่งการคดกายคือการกระทำทางกายที่เป็นความคดเป็นต้นหน้าที่เธอจะปึงทำด้วยว่าในการใดที่ภิกษุทำการคดบางอย่างบรรดาความคดด้วยการกระทำที่เป็นไปนในทางกายเป็นต้นในการนั้นลาบย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อภิกษุ หย่อนมือลงตรงๆในฐาดข้าปลายาตไม่ทำให้งอขึ้นยกขึ้นแล้วมือเป็นแต่เพียงเปลื่อนเท่านั้นแต่เมื่อหย่อนลงแล้วทำให้งอแล้วยกขึ้นมือย่อมช้อนก้อนข้าปรายาตออกมาได้แท้ลาบและสักการะย่อมเกิดขึ้นในคราวทาการคดทางกายเป็นต้นอย่างหนึ่ง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 แปลว่าเหนื้อความนั้นอย่างนี้หมายความว่าภิกษุชื่อว่าเป็นสาวกเพราะอัตตาว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังหรืออัตตาว่าฟังโอวาและอนุศาสนีของท่านผู้ชื่อว่าพุทธะเพราะอัตตาว่าตรัสรู้สังกตาธรรมและอสังกตาธรรมทั้งหมดทราบก็ปฏิบัติ เป็เรื่องอย่างลาบให้เกิดขึ้นและข้อปฏิบัติอย่างจะให้ถึงประนิพานนั้นอย่างนี้แล้วไม่พึงเพิดเปลญศการะคือปัจจัยทั้งสอันไม่ชอบทำคือไม่พึงห้ามศการะอันชอบทำนั้นนั่นแหลพึงเจริญวิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นในรรดาวิเวกเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายโดดเดียว ชื่อว่ากายวิเวกสมาบัตรปดชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพานชื่อว่าอุปาทิวิเวกบรรดาวิเวกเหล่านั้นกายวิเวกย่อ ม, มัรนเทาความคลุกคลีด้วยมูอจิตาวิเวกย่อมบรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปาทิวิเวกย่อ ม, มัรนเทาซึ่งความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวก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 ของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิถึงประนิปันดังนี้พึงเจริญคือพอกปูนอธิบายว่าพึงเข้าไปสำเร็จวิเวกสามนี้อยู่ก็ในเวลาจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระปนวาสีติสติระจบ